ตอนนี่เราสนทนากันในเรื่องของลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาก็ศึกษากันมาค่อนข้างจนมาถึงลักษณะท้ายๆแล้วนะีก็คือลักษณะท้ายๆก็พูดถึงในเรื่องของอริยสัจ <c oughs> คือลักษณะที่บอกว่าเห็นทุกข์แต่เป็นสุขเนี่ยทุกข์เพื่อเห็นแต่สุขเพื่อเป็นยังไงเนี่ย ในลักษณะของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้มองเห็นทุกข์แต่ให้ปฏิบัติด้วยความเป็นสุขหรือให้ปฏิบัติด้วยความสุขนี่มันก็การจะขัดแย้งนิดนึงนะว่าถ้าเราเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วเนี่ยใจเราจะเป็นสุขได้ยังไงใช่ไหมเ ช, ช่นเราเกิดภาวะความเครียดความกัดกลุ้มความทุกข์ หรือการไม่สมปรารถนาใดๆเกิดขึ้นเลยนะแล้วจะให้ใจหรือสภาพจิตใจเราเป็นสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องทำง่ายหรือทำยากไม่ว่าทำง่ายหรือทำยากทุกมันมีสองส่วนนะทุกในอริยสัจกับทุกในไตรลักษณ์นะมันมีจุดต่างกันอยู่ว่าทุกในไตรลักษณ์เนี่ยมันมีอธิจรังทุกขังและอนัตตา ก็แปลาสรรสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีไตรลักษณ์ก็คือมีความไม่เที่ยงแล้วก็มีสภาพองความเบียดเบียนบีบคั้นแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้าใจใช่ไหมไอ้ตรงนี้เป็นไตรลักษณ์แต่ทุกในอริยสัจนี่หมายถึงอะไรเราก็จะหมายถึงว่าชาติปีทุขขาชราปีทุขขามรนามปีทุก ข, าาก ข, าากขังเป็นต้นใช่ไหมความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความ เจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แล้วก็มาสรุปว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์สรุปก็คือรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือนีรูปเนี่ยนีอุปาทานเนี่ยนีรูปอุปาทานขันโทขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา ขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือวิญญาณ ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทุกข์สัตย์โดยจริงเล ย, น, ยนะก็คือนับเอากับตั ว, ตวกระแสชีวิตเลยในส่วนของกระแสชีวิตเนี่ยก็แยกออกเป็นส่วนของรูปธ ร, รรมและนามธรรมถ้าประสบปัญหาใดๆเกิ ด, ดขึ้นมาเนี่ยไอ้คำว่าทุกข์ของพวกเราเนี่ยเราไปนับเอาตัวทุกขเวทนาใช่ไหม เช่นเราโทรมนัดเราน้อยเนื้อต่าใจเครียดวิตกกังวลเนี่ยเรานับว่าตัวนี้เป็นตัวทุกข์เรานับของความทุกข์ใจแต่เราไม่นับตัวอื่นว่าเป็นทุกข์นะใช่ไหมเช่นดีใจเนี่ยเราเคยบอกว่าเป็นทุกข์ไหดีใจสุขใจเนี่ยจริงๆไอ้ตัวดีใจเนี่ยความดีใจสมานัดทั้งหลายเหล่านี้ตัวนี้เป็นตัวทุกข์ไมเสมอเนเป็นทุกข์ใน ไตรลักษ์หรือเป็นทุกข์ในอริยสัจ <c oughs> เป็นทุกข์ของอริยสัจแต่ถ้าตัวพูดถึงเวทนาก็เป็นสุขเวทนาในขณะนั้นแต่มันก็ยังเป็นอนิจจังอย่เป็นทุกข์ขังอยู่นะเขาเรียกว่าวิปริณามะทุกข์ทุกข์ความแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนายมองเห็นไหมมองเห็นว่าตัวทุกตัวสุขเวทนาท่านก็ น, นับว่าเป็นทุกข์ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทกเวทนาหรือตัวโทมนัสเวทนาถ้าอาดีตภรรยาเข้าไปนอกใจจะทุกไหมทุกใช่แต่เชื่อมั่นว่าเขาไม่เชื่อมั่นไหมว่าเขาจะไม่นอกใจเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าเราเอาอะไรเป็นตัวเชื่อ เราไปเชื่อมั่นรูปขันของเขาหรือเชื่อมั่นเวทนาขันของเขาเชื่อมั่นสัญญาขันสังขารละขันหรือวิญญาณขันของเขาเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นโทนหรืออุปนิสัยใช่ไห ม, มเขามีอุปนิสัยชอบไปกับผู้ชายไปนู้นไปนี้ชอบั้มไม่มีเลยใช่ไหมไม่เคยเลยใช่ั้ม เออตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจยอย่างทีไ่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ <c oughs> ชื่อมั่นไม่ได้เชื่อไหมได้ได้ข้ไอได้จริงน่ยเพราะเราศรัทธาเนี่ยไปปากไว้กับขันห้าไม่ได้แต่ถ้าจะเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งถ้าเรามีบุคคลท่านใดที่เขาพัฒนาคุณธรรมนะคือจริยธรรมพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาโดยเฉพาะปัญญาที่เป็นกรรมสกทาปัญญาเนี่ยชัดเจนเนะ จนสามารถเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกรรมและผลของกรรมได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยไอตรงนั้นต่างหากไอตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่กตว่ากันอีกดีแต่สรุปแล้วมันไม่เจาะเข้าไปลึกเลยตรงนี้นะแต่ต้องการเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพของกระแสชีวิตเนี่ยตามวาจะบุกเล่นกายใจหรือรูปเวรนาสัญญาสังขารมิยานเป็นตัวทุกข์สัตย์เลยครับมันไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าเราไปเห็นแล้วเราชอบใจหรือไม่ชอบใจมันไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะเราไปเห็นแล้วเราโทร ม, มานัด แต่ตัวมันเองมันก็เบียดเบียนบีบคั้นตัวมันเองเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกเป็นทุกข์ศาสตร์มันเป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ประเด็นมันก็เลยบอกว่าเอาละสิแต่เนี่ยพ อ, พอหลักในอริยศาสตร์เนี่ยในคําสอนก็คือว่าหลักการของพุทธศาสนาว่าท่านมุ่งสอนให้รู้ว่าโลกและชีวิตตามความเป็นจริงว่าเกิดจากองค์ประกอบต่างๆซึ่งล้วนแต่ไม่เที่ยง แล้วก็ไม่คงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปสืบเนื่องไปเรื่อยๆคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คือถูกปัจจัยต่างๆที่ขัดแย้งบีบคั้นให้เป็นให้แปรปลุนอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่ใช่ตัวตนคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่จะบงการให้เป็นไปตามความปรารถนาเรียกตาม แบบว่าเขาเรียกว่าอันนี้จังทุกขังนาตาซึ่งรู้จักกันดีใช่ไหมนี่เรียกงานว่าไตรลักษ์คำเด่นที่สุดก็คือว่าความรู้สึกของคนจํานวนมากคือคําว่าทุกขังซึ่งแปลว่าเป็นทุกเนี่ยทีนี้คําว่าทุกเนี่ยมันนอกจากจะเป็นหลักหนึ่งในไตรลักษ์แล้วเนี่ยจริงๆเรื่องนี้พูดไปแล้วใช่ไหมคืออย่างยังปรากฏในหลักธรรมที่สําคัญซึ่งเป็นหัวใจก็คือเป็นอริยสัจสี่ข้อแรก ข้อแรกคือทุกข์สัตว์หลายคนก็มองในหลักธรรมเหล่านี้ว่าไม่ได้ศึกษาให้ลึกลงไปก็เกิดความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเห็นโลกและชีวิตเป็นทุกข์จริงไม่จริงพุทธศาสนาสอนโลกให้มองในแง่ร้ายหรือ่าไ ม, ไม่ใช่เลยเขาเข้าใจผิดแต่เมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนากับมองเห็นแต่การดําเนินก้าวไปด้วยความสุขสู่จุดหมายที่เป็นบรมสุข โดยจะบอกว่าเห็นทุกทุกเพื่อเห็นแต่สุกเพื่อเป็นเออลเราเห็นทุกแล้วเออใจมันเป็นสุขได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องน่าศึกษาแสดงให้เห็นชัดว่าไม่ได้เรื่องเอาไม่ใช่เอาเรื่องเอาใจก็ไปรับเลยเรือเอาใจก็ไปรู้เลยแต่เป็นเรื่องของปัญญาหรือความรอบรู้ต่างหากที่เข้าไปรู้นะงั้นความสุขเนี่ยจะบรรลุได้ด้วยความ คือลัทธิศาสนาอื่นเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าถือว่าความสุขจะบรรลุได้ด้วยความทุกข์แต่พระพุทธศาสนาสอนว่าความสุขสามารถจะเข้าถึงได้ด้วยความสุขก็คือคนเนี่ยสามารถบรรลุถึงความสุขได้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นสุขนะด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นสุข ฉะนั้นวิธีการในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็นชัดก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ข้อปฏิบัติในชั้นของศรัทธานี่ยถ้าจะพูดตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยดําเนินการในทารที่จะมีความเชื่อมั่นในตระธคตโพธิศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าพระตถาคตเจ้าคือพระรัตนเจ้าเนี่ยมีปัญญาที่สามารถแทงตลอดระยะส เมื่อเรามีศรัทธาคือไปเชื่อมั่นปัญญาของมนุษย์ท่านแรกที่สามารถไปแทงตลอดสัจจะความจริงเป็นต้นได้ปางฐานกิเลสเข้าถึงบรมสุขแล้วก็อบรมอริยมรรคไปถึงบรมสุขได้อย่างแท้จริงแล้วก็เลยเห็นโอ้โทุกเนี่ยนะการที่จะการจะเท่าถึงความสุขเนี่ยนะการที่จะเข้าถึงความสุขเนี่ยความสุขสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสุขจริงๆ คือบรมสุขเก่าวคือพระนิพพานแต่บุคคลเนี่ยจะสามารถเข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้ก็ด้วยกระบวนการแห่งการปฏิบัติขัดเกลีที่ดําเนินไปตามลําดับนั้นก็เป็นความสุขทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นความสุขในระดับของศรัทธาความสุขในระดับของศีลนะความสุขในระดับของสมาธิตลอดถึงความสุขในระดับของปัญญาโดยเฉพาะปัญญานี่ชัดเลยเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้ทุกนี่แหละไปรู้ทุกไปวิจัยทุกไปแยกแยะทุก แล้วก็ไปรู้เหตุของทุกข์แล้วก็ไปกำหนดเป้าหมายจุดหมายที่จะเข้าถึงบรมสุขวเวลาปฏิบัติไปตามมรรคคือข้อที่4่ปฏิบัติตามอริยสัจข้อที่4เนี่ยในขณะที่ดำเนินการประพฤติปฏิบัติไปนั้นน่ะสภาพจิตใจเป็นไปกับความสุขเพราะมีปัญญา น, นำรองใช่นไหม ปัญญาก็มาเกื้อกูลพฤติกรรมพฤติกรรมก็เป็นฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นฐานของปัญญานี่ปัญญาก็มาเป็นฐานของพฤติกรรมและสมาธิเป็นต้นก็เลยดําเนินไปตามความสุขทุกขั้นตอนแต่ถ้าหากว่าใจหรือสภาพจิตใจหลุดจากตรงนี้นะหลุดจากปัญญาหลุดจากศรัทธาหลุดจากบุศลเมื่อไหร่การปฏิบัติของท่านบวกนั้นเป็นทุกทันทีเหตุผลเพราะว่ามันไปอยู่ในข้อที่2คือสมุทัยสัจจะเช่น เราไปเห็นทุกข์ด้วยความเอาความโลภไปเห็นทุกข์เอาความโกรธไปเห็นทุกข์เอาความมัวเมาลุ่มหลงไปเห็นทุกข์เนีพอโลภกดหลงเกิดขึ้นที่จิตใจแล้วไปเห็นความทุกข์มายึดมั่นถือมั่นยกตัวอย่างเช่นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรเราเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นญาติมิตรเป็นพ่อเป็นแม่เราที่ประสบปัญหาประสบความทุกข์หรือมีอันเป็นไปอย่างนั้นหรือว่ามีการเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยโอ้เราทุกข์ทันทีเลยเพราะเราตอนนั้นอะอะไรเกิดขึ้น สมุทัยก็คือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นก็ไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดห่วงเกิดวิตกกังวลเกิดคิดมากนอนไม่หลับอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นไปตามลำดับอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ได้ปฏิบัติในข้อที่สใช่ไหมแต่ไปเอาโลภะโทสะโมหะก็เลยไปสร้างเหตุเลยเมื่อความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความมัวเมาลุ่มหลงเกิดขึ้นก็เลยเป็นสมุทัยยะสจาก็เลยไปสร้างเหตุของความทุกข์ ก็ไปสร้างรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํารูปประคันเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณทั้งหลายให้แปลปวนวิปริตผิดพลาดไปเรื่อยเมองเห็นไหยังเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเครื่องทดสอบความถูกต้องอย่างหนึ่งของการปฏิบัติธรรมก็คือการได้ความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่างที่การปฏิบัติเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือปริญญาก็คือต้องรู้จักทันมัน เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจถ้าเราจับจุดปัญหาไม่ได้เราก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่เฉพาะตัวปัญหาเท่านั้นเราจะต้องรู้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งที่เราสิ่งที่รองรับหรือเป็นที่ตั้งของปัญหาคือรู้เท่าทันชีวิตและสังขารและรู้เท่าทันโลกด้วยอันนี้สาคัญมากอันนี้เป็นเครื่องเป็นเรื่องของการรู้ หน้าที่ต่อทุกก็มีอย่างเดียวก็คือปริญญาพูดง่ายๆทุกนี้สำหรับปัญญารู้จบเล น, นะทุกนี้เป็นสำหรับปัญญารู้จบแค่นี้ถ้าใครเอาทุกมาเข้าตัวใครทําตัวให้เป็นทกุกแสดงว่าปฏิบัติผิดหลักปฏิบัติผิดหลักไม่มีที่ไหนที่พระเจ้าสอนให้คนเป็นทกุกสอนแต่ให้รู้เท่าทันทกุก เพื่อจะได้ให้แก้ไขได้มักต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทําให้มีทําให้เป็นขึ้นเห็นไหมมักก็คือเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นไหมเห็นในอริยสัจสีเห็นทุกเนี่ยนไหมเห็นทุกนี่แหละพอตัวสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตัวปัญญาเนี่ยไปประกอบอยู่ในกุศลเบื้องต้นก็ไปวิจัยทุกไปแยกแยะทุกเข็นทุกแล้วก็สาวสาเหตุของทุกออกมาจากราคาโทสะโมหะ วางจุดหมายก็คือบรมสุข ก, ะ ก, ะกะ็คือพระนิพพานนิโรธแล้วก็ขั้นตอนแห่งการที่ปัญญาเกิดขึ้นนั้นเป็นมักเป็นข้องปฏิบัติเกิดขึ้นสัมมาสังกัป่ะความดำริที่ถูกต้องดำริออกจากอะไรออกจากกามนีดำริในการให้ในการสละในการแบ่งปัน ดัมเบในเนคขมมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นดําริในการเจริญกุศลทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาไอ้ดําริในลักษณะอย่างเงี้ยไอ้การดัมเบลแต่ละครั้งอันนี้ออกจากทุกข์หมดเลยนี่แล้วก็ดัมเบลออกจากพยาบาทก็คือดัมเบลเข้าไปในเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อถอนแล้วก็ดําริในกรุณาด้วยออกจากวิหิงสาคือความคิดที่เบียดเบียนเห็นไหมกระบวนการของส ม, มาธิสีส ม, มาสังปาเนี่ยดำเนินไปตามมรรคหรือปฏิบัติตามมรรคแล้วเนี่ย ควานสุขเกิดไหมพอไปพูดถึงเรื่องสัมมาวาจาอันนี้ก็ชัดเลยการกล่าววาจาที่เว้นจากวาจีทุจริตสีใช่ไหมคือว่าไม่พูดโกหกนี่สัมมาวาจาก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดส่สอเสียดให้คนเ็าแตกร้าวกันไม่พูดคำหยาบเนีแล้วก็ไม่พูดเผอเจ สัมมาวาจาเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปกับกุศลฉะนั้นเวลาเราจะพูดหรือจะ ก, กล่าวอะไรแต่ละครั้งเนี่ยก็มานัศการแล้วก็คิดแล้วก็มีความสุขใจและมั่นใจในสิ่งที่ตนเองทําว่าในขณะที่ดําเนินสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดําเนินไปกับความสุขใช่ไหมเพราะว่าเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จเราสามารถกําจัดมันได้ด้วยสัมมาวาจาเวรเจตน า, ากุศลที่เป็นเหตุแห่งการ พูดส่อเสียดหรือผู้ใหคนแตกแล้วแตกสามคัคคีกันเราสามารถกําจัดมันได้ด้วยสัมมาวาจานี่แหละเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคำหยาบเราก็สามารถที่จะกําจัดมันได้ใช่ไหมด้วยสัมมาวาจานี้เวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเพ้อเจอ้อฉะนั้นในขณะที่สัมมาวาจาเกิดขึ้นเวรัตตีเกิดขึ้นเนี่ยนะสัมมาวาจาเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นใบกักุศลไหม เพราะมีอะไรนำมีปัญญามีเจตนาทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้กล่มกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหลายเป็นตัวห่อหุอ้มเป็นตัวกระตุน้นเตือนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมที่เป็นเหตุแห่งการเวลากล่าววาจาที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่อะไรและมีความสุขมีความสุขใจแล้วก็ไม่ไม่ทุกใจไม่ลําบากใจเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นนี่สัมมาวาจาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้สัมมากัมมันตะ การกระทําที่เว้นจากกายทุจริษสาเวรัเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่ามันกละได้โดยสมากมรมตาเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักการขโมยการช่อราดบังหลวงมันก็ละได้ด้วยสมากมรมตาพราะถ้ามีสมากมรมตาแล้วจะงดเว้นจะละได้ทันทีเวรัเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกามก็ละได้ด้วยสมากมรมตามองออกไหม มองออกตัวตัวนี้เป็นกุศลในขณะที่ดําเนินไปตามสัมมากรรมตาตอนนั้นกุศลเกิดไหมใจเป็นไปกับความสุขหรือความทุกข์สุขเกิดขึ้นทันทีในขณะที่กุศลศีนี่เกิดขึ้นสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพการดําเนินชีวิตที่เว้นจากกายทุจริสามวจีทุจริสีนีที่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหลายในขณะที่ดําเนินชีวิตในการแสวงหาปัจจัยสี่ที่โยนใสยเครื่องดูดหอมยาอาหารเป็นต้น ก็ดำเนินไปด้วยความสุดจริตเลยเพราะเว้นจากวจีทุจริตสและกายทุจริตสาในเป็นทางดําเนินชีวิตเมื่อชีวิตนั้นอยู่ในกรอบของกุศลลศีลทั้งสมาวาจาสมากรรมตาและสมาชีวะเนี่ยตัวกุศลศีลเหล่านี้เป็นตัวสุขสมานัตเกิดขึ้นนะทั้งปราโมททั้งปีติทั้งปฏิสติสุขนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ดําเนินชีวิตไปตามกรอบของกุศลศีลเนี่เห็นไหมเนี่ยการปฏิบัติเป็นไปกับความสุขจริงๆ เจาะลึกลงไปในข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือสัมมาวายมะเพียนโอ้ยความเพียนตัวนี้ชัดเล ย, เยสัมมาวายมะทำเพียนอะไรเนี่ยคําว่าเพียนในตัวนี้หรือแกล้าตัวนี้คือความอาถรรพ์ความแกล้าเป็นตัวสมาทานตั้งมั่นนะว่าจะไม่ให้บาปเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วกลับมาเข้าสู่กระแสชุนข้าพเจ้าอีกนะับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจากนิพพานเช่น เนนบอมก็ดีไนก็ดีเนี่ยที่เคยทําบาปอะไรไว้บาปเหล่านั้นบาปทางกายทางวาจาหรือทางใจก็แล้วแต่ที่เคยทําที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็สมาทานเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปบาปปัจจุบันราค ม, มันชั่วร้ายทั้งหลายจับไม่ให้เข้ามาสู่กระแสชีวิตข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งการพ้นทุกข์หมายพอตั้งมั่นอย่างนี้แปลว่าปิดบาปเก่าไหมเนี่ยเพียนเนี่ยเพียงละบาปที่เคยกดแล้ว เพาะาบาปที่เคยเกิดแล้วคุณเคยไหมถ้าไม่ตั้งใจไม่ตั้งมั่นไม่สมาทานเขาพร้อมที่จะกลับมาเกิดใหม่ไหมเช่นความฟุ้งซ่านความเครียดความวิตกกังวลที่เคยเกิดตลอดเวลาเนี่ยต้องสมาทานบ่อยๆมนุษยทุกคนต้องสมาทานบ่อยๆไอ้อที่พูดอย่างนี้ก็เตือนตัวเองเมันเงินกระตุ้นตัวเองถ้าเราดําเนินไปแลลักษณนอย่างนี้จะมีความมั่นใจมีความก ล, ากล้า้ามีความอานฐานและใจก็จะเป็นไปกับความสุขและไม่อ่อนแอจิตต้องไม่อ่อนแอ พอมีปัญญาเข้าใจแล้วเราจึงกล้าที่จะสมาทานแบบนี้มีปัญญาเห็นก่อนมีปัญญานำนำความเพียรแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เพียรเนนะี่ยเพียรเป็นเหนือปัญญานะปัญญาอยู่เหนือความเพียรเพราะรู้เข้าใจแล้วแล้วก็ดำลิออกจากการเป็นต้นแล้วตอนนี้ก็ลำดมงความเพียรอีกอย่างหนึ่งก็คือบาปใหม่ เราเห็นคนเขาเคยโกหกกันเนี่ยเราเห็นคนโกหกเราเห็นคนฆ่าสัตว์เราเห็นคนลักทรัพย์เราเห็นคนประพฤติผิดในกามเยอะแยะหมดเราเห็นคนพูดเท็จส่อเสียดทำยาเพลย์เจอเราเห็นคนประกอบวาชีวที่ผิดเราก็สมาทานว่าเราจะไม่ให้บาปชนิดนี้กลับมาสู่ให้เข้าสู่กระแสชีวิตของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเราเห็นแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมันเป็นไฟมันเป็นอกุศลมันเป็นสิ่งชั่วร้ายฉนั้นจะไม่ทําอย่างเด็ดขาดก็สมาทานให้มั่นคงลงไปเลยอันนี้ชัดเลยนี่นะอันนี้ชัดเจนเลยเนี่ย น, นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ต่อมาก็คือเพียรในการเจริญกุศลเกล้ากล้าอาถารในการเจริญกุศลสินกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลกล้ากล้าอาถารไม่กลัวกลัวไหมกลัวความสุขโดยที่ไม่ต้องมีกามไหมกลัวหรือไม่กลัวแล้วกลัวไหมแล้วกลัวความสุขโดยที่ไม่ต้องมีกามไหมแต่ก่อนเราสุขเราอยู่กับกามใช่ไหม เสพกามบริโภคกามหมกมุ่นในกามในสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์แต่ถ้าเรามาดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาแปลว่าเราจะได้ความสุขอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าประณีตกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าเลือดกว่าถามใจตัวเองไม่กลัวไหมกลัวความสุขที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกามไม่ต้องไปบริโภคกามกลัวหรือไม่กลัวถามตัวเองบ่อยๆกลัวไหมฮะใช่ไหมแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันจะตอบตัวเองได้ว่า เราไม่กลัวเนีเราไม่กลัวความสุขที่อยู่กับศีลไม่กลัวความสุขกับอยู่ที่อยู่กับสมาธิไม่กลัวความสุขกับอยู่กับปัญญาเพราะเราเห็นว่าสุขกว่าพระนีษกว่าว ley, ดีกว่าเลิศกว่ากว่ากรรมมาสุขเออพอเกิดความมั่นอกมั่นใจอย่างเงี้ยชื่นอกชื่นใจงี้ปุ๊บก็ทันทีเลยนีทันทีเลยชัดเลยแต่เ น, นี่ยนี่ถามใจตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่กลัวค่ะพอไม่กลัวนี่ก็กลา้าที่จะเจริญกุศล ทีนี้กุศลทั้งหลายเหล่านี้กุศลที่ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไประดับสมาธิกุศลปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจดุติฌานอากาสารา น, นจายาัชนะเป็นต้นจนถึงปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับจนถึงแทงตลอดอริยสัจจนเป็นอริยสุขระดับอย่างนั้นกลัวไหมไม่กลัวเราก็เพราะไม่กลัวเราบอกเราจะทําให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทํากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูญยิ่งยิ่งขึ้นไป จากน้อยเนี่จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมากมากมเอาละเราจะม่หวนกลับไปหาสุขที่โดยมีกรรมอีกต่อไปเราเจ็บปวดกับมันมากๆนะมันต้องคอยห่วงหาคอยวิตกกังวลกลัวมันจะพัดพลากกลัวมันจะจากกลัวมันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราโอ้โหมันอยู่กับความทุกข์อยู่กับความกลุ่มอยู่กับความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยตัดสินใจแน่วแน่เลยไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยแล้ก็มุ่งมั่นไปเลยอย่างนี้เป็นต้นไงนะมุ่งมั่นเลย มองเห็นได้ยงนเดียวนี้เห็นไหมต่อมาก็คือสัมมาสติไอ้ตัวสัมมาสติเนี่ยมันระลึกยังไงรละลึกในอะไรระลึกในกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมก็คือสติปัฏฐาน อ, าอ้าวยังเช่นเอาสติไปร ะ, ะลึกในกรัชกายโอ้โหตั้งแต่อาณาปณะบัพเป็นต้นเลยโอโ้เรื่องใหญ่เลยทีนี้ร ะ, ะลึกในียาบทยืนเดินนั่งนอนร ะ, ะลึกในสัมปชัญญะบัพก็คือใน และตรงแลเหลียวก้าวไปถอยกับคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเคโลลิมถ่ายอุจจาระปัสาวะยืนเดินนั่งนอนตละพุดนิ่งอ้ในรายละเอียดเยอะมากในส่วนของกายานุปัสสนานะจนถึงป่าชากาวแล้วลึกในเวทนาทั้งสกเวทนาทุกเวทนาและทุกขมาสกเวทนารลึกในจิตจิตมีราค่าจิตไม่มีราคะาแล้วลึกในธรรมะก็คือในรลึกในกลุ่มนิวรณ์เอ่ยในขันห้าเอ่ยในอาญตนาเอ่ยเนี่ยจนถึงในโพชฌงในมัด โอ้โหดเดี๋ยเป็นเรื่องของใหญ่ใหญ่โตเลยก็คือสรุปก็คือว่าเอาสติเนี่ยมาระลึอกอยู่ในขันห้านี่แเอามาสติมาตั้งมาดึงข้อมูลจากการศึกษาเราเรียนมาเนี่ยดึงรูปปั้นมาให้ปัญญาวิจัยดึงเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณรูปขั้นก็คือเป็นกลุ่มกายานุปัสนาเวทนาขันก็กลุ่มเป็นเวทนานุปัสนากลุ่มจิตหรือวิญญาณก็เป็นกลุ่มของจิตานุปัสนาแล้วสัญญาขันและ สังขาระขันธ์ก็เป็นกลุ่มของธรรมานุปัสสนาชัดเลยสรุปแล้วก็คือไม่ไม่เล่น ไ, ไม่ได้เอาสติไปเลึกจากที่ไหนเลยก็เลิกที่กลุ่มขันธ์ห้าถ้าเลือกรูกประขันเวทน า, าสัญญาสังขารเลยเลิกกายใจของตัวเองก็เป็นขันธ์ห้างตัวเองไปเลึกกายใจของบุคคลอื่นก็เป็นขันธ์ห้าของบุคคลอื่นแค่นี้เองใช่ไหมในโลกใบนี้มันก็มีแค่นี้แหละมันได้มีไม่มีนอกนอกไปจากนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แล้วชัดเจนพอจะมองเห็นนะ สติต่อมาก็สัมมาสมาธินี่หมายถึงฌานหมายถึงในจิตที่เป็นสมาธิตั้งแต่อุปยาและสมาธิเป็นต้นไปเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้มรรคเนี่ยสรุปคือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมานี่เห็นทุกทุกนี้สําหรับปัญญารู้ถ้าใครเอาทุกมาเข้าตัวก็ทําตัวเป็นทุกแสดงว่าปฏิบัติผิดหลักพุทธายาไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ให้รู้เท่าทันทุก์เพื่อจะแก้ไขได้ มารต่างหากที่เรามาที่หน้าที่ปฏิบัติลงมือทําให้เป็นให้เกิดขึ้นสุขนี้ตรงข้ามกับทุกสุขอยู่ในอริยสัจข้อไหนอยู่ในข้อไหนนิโรด น, นี่เป็นนิพพานเขาเรียกเป็นบรมสุขนะสุขนั้นเวลาเราดําเนินตามมารเราตั้งจุดหมายก็จะเข้าถึงสุขหรือบรมสุขเลยนั้นนิโรดนั้นบางทีก็แปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุก พอดับทุกแสดงว่าเราเรามีทุกจึงต้องดับทุกพอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมายของพุทธศาสนาก็ถึงภาวะไร้ทุก์ไม่มีทุกเหลือไม่มีการเกิดขึ้นแห่งทุกอีกต่อไปเลยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเราียกว่าดําเนินไปสู่ความดับทุกในส่วนของในระหว่างปฏิบัติในระหว่างที่เป็นสัมพันธ์สัมพัสเนี่ยทุกก็จะน้อยลงและสุ ข, ขก็จะมากขึ้นสุขเนี่ยจัดอยู่ในฝ่ายของนิโรธ ในฝ่ายจุดหมายคือกิจหน้าที่ที่ตอนนี้รอดก็คือสัจจกิริยาก็คืาทำให้ประจักษ์แจ้งก็คือทําให้ประจักษ์แก่ตัวหรือบรรลุถึงสุขจึงเป็นภาวะที่เราบรรลุถึงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห <c oughs> มือนที่บอกนี่พานางประมังสุ ข, ขังนี่แหละก็หมายความว่าทุกขเป็นสิ่งที่เรารู้ทันแล้วก็หาทางแก้เราก็ก้าวไปสู่จุดหมายคือมีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยเ ๆ, ๆื่อยทุ ก, ก็น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหมดทุก พอหมดทุกปุ๊บก็เลยกลายเป็นนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรมสุขระหว่างที่ปฏิบัติเราก็ห่างทุกขและมีสุขมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นในระดับที่ศีลสมาธิปัญญาเดินไปเรื่อย ๆ, ๆหรือผู้กลงมือปฏิบัติเนี่ยการที่เราดูในพุทธศาสนาชนิดดําเนินไปสู่ศีลดําเนินไปสู่สมาธิดําเนินไปสู่ปัญญาเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสุขก็จะเพิ่มขึ้นทุกก็จะลดลงเรื่อย ๆ, ๆ ยิ่งเห็นทุกมากเท่าไหรเข้าใจทุกได้มากเท่าไร่กิเลสก็จะลดลงใช่ไหมจุดหมายปลายทางคื อ, อนิโรธก็ใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีทุกเรามีหน้าที่คือปริญญารู้ทันศึกษาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรจับตัวมันให้ชัดเพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไขสมุทัยก็คือตัวสาเหตุแห่งทุกนั้นเราจึงมีหน้าที่ประหานะกําจัดเราแก้ไขนิโรธก็คือเรามีหน้าที่สัจจิกิริยาก็แปลว่าการบรรลุจุดหมาย ที่เรียกว่าบัมบทุกเป็นสุขมากขึ้นมากก็คือข้อ น, นี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ภาวนาต้องทํานีลงมือปฏิบัติสรุปพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกไว้สําหรับปัญญารู้แต่สอนเรื่องสุขสําหรับให้เรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างแท้จริงเอาตรงนี้ก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บก็คือว่าพุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกข์แต่ให้เป็นสุข ทุกสาหรับเห็นแต่สุขสําหรับเป็นดังที่ได้กล่าวไว้นี่นะถ้าเข้าใจหลักการในพุทธศาสตร์สนาอย่างนี้ก็ชัดเจนขึ้นเลยตอนนี้ตรงนี้มีอะไรจะสอบถามในรายละเอีดยดัหมทีนี้วิธีการปฏิบัติเวลาในขณะที่ปฏิบัติที่เ็าเรียกว่ากระบวนการในการปฏิบัติในการฝึกฝนเนี่ยจุด แม้จุดยอดอ ย, อยู่ที่การพัฒนาปัญญาใช่ไหมพพุทธเจ้าบอกว่าปัญุตราสพเพธมาทาทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดอจริงไม่จริงแต่ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นมาลอยๆได้หรือไม่ได้ไม่ได้ต้องอาศัยจิตใจพร้อมด้วยพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการใช้อินทรียสัมพันธ์ปัญญาสายพิ พฤติสัมพันธ์หรือพฤติกรรมยังไงอินทรีย์สัมพันธ์หรือพฤติกรรมเนี่ยเช่นอย่างง่ายๆก็คือเราจะได้ความรู้เราก็ต้องอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิน้นอาศัยกายของเราสื่อความรู้จากโลกภายนอกเข้ามาใช่ไหมเราต้องเคลื่อนไหวเช่นเดินไปหาข้อมูลต้องใช้มือหยิบฉวยค้นแยกเลือกเก็บข้อมูลไปต้น ต้องใช้วาจาเช่นรู้จักสอบถามรู้จักปรึกษารู้จักพูดเริ่มตั้งแต่รู้จักตั้งคําถามถ้าไม่รู้จักตั้งคําถามถามไม่เป็นพูดกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้จะถามอะไรหรือถ้าถามด้วยคําพูดไม่ดีเขาก็เกลียดเอาไม่ร่วมมือก็ไม่อยากตอบเพราะฉะนั้นจึงต้องพัฒนาพฤติกรรมให้รู้จักพูดรู้จักตั้งคําถามให้ชัดรู้จักพูดให้น่าฟัง ใช้ถ้อยคําสละสลวยพัฒนาพฤติกรรมให้สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างได้ผลดีให้เขามีมัตรีให้เขาชื่นชมให้เขาเต็มใจที่จะร่วมมือเป็นต้นใช่ไหมพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งคือปัญญาก็ต้องอาศัยจิตใจไหมอาศัยจิตใจเช่นจิตใจต้องเข้มแข็งอดทนหรือไม่ต้องต้องอดทนหรือไม่ต้องอดทนถ้าสภาพจิตใจเนี่ยไม่เป็นไปกับเมตตากรุณามุ้ทีตาไม่เป็นไปกับกตันยูกตเวทีไม่เป็นไปกับฮิริโอตะปะ ไม่เป็นไปกับความตั้งมั่นกล้วกล้าไม่เป็นไปกับสติไม่เป็นไปกับสมาธิไม่เป็นไปกับความอดทนไม่เป็นไปกับปาโมดปิติปสติสุขเนี่ยถ้าสภาพคุณภาพจิตเหล่านี้ไม่เกิดเป็นฐานให้ปัญญาไม่ได้ฉะนั้นปัญญาต้องอาศัยจิตใจจิตใจต้องเข้มแข็งอดทนมีความเพียรพยายามแนว่วแ น, วแนว่มัน่นคงมีสติมีสมาธิถ้าจิตใจเกียจค้านละย่อท้อถอยไม่สู้เพ้อเจ้อ หรือจิตใจอ่อนแอพอไปเจอปัญหาก็ถอยแล้วความคิดก็ไม่กว้างปัญญาก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าใจสู้เข้มแข็งเดินหน้าต่อไปก็สามารถพัฒนาปัญญาได้หรือถ้าไม่มีสมาธิใจฟุง้งซ่านคิดอะไรออกไหมบอมเป็นบ่อยไหมเวลาใจฟุง้งซ่านช่วงนั้นนะปัญญาเกิดไหมเออเนี่ยเห็นไหมไม่เกิดมันสับสนไม่ชัดเจนงั้นต้องให้ได้มีสมาธิด้วยดังนี้เป็นต้น สภาพจิตใจเจนเกื้อนหนุนต่อการพัฒนาปัญญาจริงไม่จริงทีนี้ฐานของจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมไหมคนที่มีจิตใจที่เป็นไปกับสติเป็นไปกับสมาธิเป็นไปกับความตั้งมั่นจิตที่มีความสุขเจนที่เป็นจิตที่เป็นไปกับความเพียรความกล้กาหามีพฤติกรรมดีหรือไม่ดีดีถ้าถ้าจิตอ่อนแอท้อถอยท้อแ ท, อ ท, อ ท, อ ท, อทอ้โอพฤติกรรมออกมาแย่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเออจิตใจก็เป็นฐานของพฤติกรรมเด้ว นั้นการเคลื่อนไหวพฤติกรรมทั้งหลายกเกิดจากความตั้งใจเรามีเจตนาที่เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นจิตใจก็ต้องอาศัยพฤติกรรมได้ไหมเป็นฐานก็ต้องสายกายที่สะอาดวาจาที่สะอาดแล้วก็จิตที่สะอาดอันเพราะว่าพฤติกรรมเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของจิตใจจิตใจอยากได้นนท์ใดนี้อยากเห็นอยากดูอยากฟังเกียดชังอยากหนีอยากทําลายอยากไปให้พ้นทั้งหลายเหลา่หลานี้เป็นต้น ก็ใส่พฤติกรรมต้องสําเร็จได้ด้วยพฤติกรรมเฉั้นปัญญาเป็นตัวชี้นำบอกทางให้แสงสว่างกํากับควบคุมดูแลและจัดปรับแก้ไขขยายขอบเขตพัฒนาและทําหน้าที่ปลดปล่อยช่วยเกิดอิสรภาพทั้งแก่พฤติกรรมและก็จิตใจปัญญาสําคัญหมเพราฉะนั้นปัญญาเนี่ยชี้นําพฤติกรรมควบคุมกํากับแล้วก็ขยายขอบเขตด้วยแล้วก็ปลดปล่อยพฤติกรรมด้วยนะอย่างที่พูดบอกว่าพฤติกรรมจะทําอะไรได้แค่ไหนก็ได้แค่เท่าที่มีปัญญารู้เท่าใด ยิ่งรู้เข้าใจมากเห็นกว้างลึกซึ้งพฤติกรรมก็ยิ่งกว้างขวางซับซ้อนและทำได้ผลมากยิ่งขึ้นปัญญาบอกทางแก่จิตใจรวมทั้งชี้นำกากับจัดปรับแล้วก็แก้ไขด้วยนะขยายขอบเขตตลอดทั้งปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ <ST U TS> เช่นพอเจออะไรถ้าไม่รู้เรื่องก็ติดขัด <ST U TS> ใช่ไหมคิดไม่ออกติดขัดอัดอัอ้นตันทันทีทาอะไรไม่ถูกเกิดทุกข์เป็นปัญหาแต่พอปัญญามาปุ๊บ รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเราจะเอามันมาใช้ทําอะไรให้ได้โล่งโปร่งสบายหมดปัญหาเลยไม่บีบคั้นติดขัดไม่คับข้องใจก็ปโป่งโร่งทันทีเพราะฉะนั้นปัญญาก็ทําให้จิตเป็นอิสระมีความสุขโล่งโปร่งและแก้ปัญหาได้เรียกว่าเป็นตัวปลดปล่อยจริงไม่จริงปัญญาจริง คืบเคลื่อนไปด้วยการเป็นกระบวนการที่อาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์จึงต้องอาศัยการพัฒนาทั้ง3ด้านนี้นะทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจปัญญาเนี่ยนะเป็นต้นอันนี้ก็ให้เราได้เกิดความรู้ได้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนี้ก็คือเนี่ยด้านมัดทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดจะต้องมีความสัมพันธ์กันดังนั้นพวกเราต้องไปฝึกไหมตรงนี้ต้องไปฝึกไปเพียรพยายามในการที่ทําให้มีเกิดขึ้น มีประเด็นอะไรถามไหมมีไม่มีมีปะไม่มีไห <c oughs> นมีไหมไมมีโอ้โหพวกเราไม่มีปัญหากันเลยอาจารย์มีปัญหาอยู่คนเดียวอ้าวตอนนี้า <c oughs> ตายเลวเราเป็นคนมีปัญหาซะเอง <c oughs> เอาเอาลักษณะสุดท้าย พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นปุถุชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะก็คือมุ่งประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมวลชนก็คือเริ่มที่พระพุทธเจา้าประกาศพระศาสนาครั้งแรกหลังจากในภรษาแรกเนี่ยพระเจา้าก็ไปหมุนกองล้อแห่งธรรมะกงล้อแห่งธรรมะจัก แสดงทำมาจากกเปวัฒนสูตรปัญญวัคคีทั้งห้าก็ท่านคนทัญญ่าได้ดวงตายิม้มทมต่อมาก็แสดงภากินากะเทศนาว่าปลาพัทยามาหานามาสชิก็ได้ดวงตายิม้มทำพอวันที่5ขึ้นขึ้นห้าแมรมห้าคำก็แสดงอนัตตลกน่สูตรปัญญวัคคีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาก็บอว่าท่านยาศักดิ์คุรบุตรสุภาหุหปุณาชีเข้าอมปติพร้อมได สหาย54าสิบ่คนอย ม, มาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมบรรลุสรุปแล้วก็นในรรษานั้นมีพระสารเกิดขึ้น60รูป61พร้อมทั้งพระุทธเจ้าพอออกพรรษาพรุทธเจ้าประกาศหลักการเวทศรศาสนาว่าส่งภาษาวกออกไปประกาศศาสนาด้วยคำว่าจรธาภิกเขเวจริกังมรหูชนะหิตายพมะหูชนะสุขายาโลกาณุกัมปายะแปลว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาลิกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหรพชน เพื่อความสุขแก่บรรพชนเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกต่อมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเน้นหลักการข้อนี้แม้แต่ในการแนะนำให้ทำสังขยานาก็ย้ำว่าเพื่อให้พรหมจันทร์าศาสนาพรหมจันทร์คือศีลสมาธิอันต่างโดยศีลสมาธิปัญญาที่แหละดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่บรรชน คือชนจํานวนมากที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่ามวลชนนั่นเพื่อประโยชน์นี่แหละงั้นแต่มองงี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยมุ่งประโยชน์แก่ผู้หูชนนะเพื่อความสุขทีนี้ประโยชน์มันก็มีทั้งประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์ที่เลยตาเห็นและประโยชน์สูงสุดแต่จริงๆขับเน้นนั่นแหละประโยชน์ในปัจจุบันก็ต้องไม่ขัดประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์ในพบหน้าก็ต้องไม่ขัดประโยชน์อย่างยิ่งคือการเส้นจากกิเลสและกองทุกข์ หลักการพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ต่อจากนั้นก็ตัดหลักธรรมโดยหนักเน้นหนักก็คือนําที่บอกว่าในพระเถระที่มีในทางตรงกันข้ามพระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เป็นไปเพื่อการแก้เพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ความสุขเพื่อความทุกข์แก่ชนจำว่าส่วนพระเถระที่เป็นสมาธิฐิก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่มหาชนในทํานองเนี้ยหลักธรรมต่างๆเหล่านี้ก็ตัดได้มากมายโดยสรุปก็คือว่า ลักษณะต่างๆที่ได้กล่าวมาเนี่ยต้องการชี้เห็นว่าพุทธศาสนาสอนสอนหลักการในทางคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เมื่อตอนเองเข้าถึงประโยชน์นั้นแล้วหรือถ้ายังไม่เข้าถึงก็ไปพร้อมกันก็ดําเนินไปด้วยตนเองรู้เข้าใจประพฤติปฏิบัติไปด้วยได้ในขณะเดียวกันก็บอกกล่าวนะบุคคลอื่นนะหรือผู้ชนหรือมวลชนทั้งหลายเรื่อนี้ให้ได้รับประโยชน์ตามที่ตนเองรู้และเข้าใจไปด้วยอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเป็นเหตุทําให้ศาสนาหรือพระมรดจของพระเจ้านี่ขยายกว้างไกลไปเรื่อยๆแต่เรามองดูในหลักการที่พระเจ้าจะปฏิบัติผ่านและสุดๆคาสอนพระเจ้าก็มาประชุมลงที่นี่ความไม่ประมาทใช่ไหมที่บอกข้ า, ารังขานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดา อ, อพอรู้ความจริงข้อนี้ก็จงเป็นอยู่ไม่ประมาทก็คือยังประโยชน์ตัวนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทและยังประโยชน์บุคคลอื่นนี่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทได้อย่างไรประโยชน์ก็เลยมาเน้นประโยชน์สา ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนี่ถ้า แ, แ, แนวตั้งถ้า แ, แนวนอนและประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยลักษณะเนี้ยพระเจ้าก็ขับเน้นในลักษณะนี้เอาละพอจับประเด็นได้พูดไปในเรื่องตรงนี้ไม่สรุปก็เลยกูเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บริบูรณ์ตรงนี้ถือว่าได้สรุปประเด็นตรงนี้ได้ชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะเนี่ยขอความสวัสดียังมีเสียทัานทั้งหลายสาธุ um mm -hmm.